Line o f ฟ i c i a l RMU TT ศูนย์ U T ข้อมูลข่าวสารทางออนไลน์แห่งใหม่ของคนทุกวัยไลน์ <Line. S 1> ต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจิตวิทยา ก, กับครูยุย้ยดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ น, นัทพงษ์ชูไทยและธีรวดียิ่งมี สนับสนุนรายการโดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมุ่งเน้นการผลิตครู ว, วิชาชีพนักเทคโนโลยีบุคลากรทางการศึกษาสู่มาต ร, รฐานสากล สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการจิตวิทยา ก, กับครูยุ้ยค่ะรายการจิตวิทยา ด, ดีๆที่ช่วยคุณผู้ฟังคิดบวกนะคะเราเจอกับคุณผู้ฟังในทุกๆวันศุกร์ค่ะ4ี่นาิกาสามสิบนทีถึง5้านาฬิกานะคะก็ครึ่งชั่วโมงเต็มๆค่ะสําหรับทุกสัปดาห์เราก็จะมีเรื่องราวมาพูดคุยให้คุณผู้ฟังฟังนะคะก็อยู่กับดิฉันและลุงยุ้ยค่ะเจ้าเก่าเจ้าเดิมค่ะดิฉันที่รัดียิ่งมีนะคะแล้วก็ลุงยุ้ยค่ะ ผู้ช่วยศาสต ร, ราจารย์ น, นัทพงษ์ชูไทยอาจารย์ประจำภาคิตวิทยาคณะครุนาิลป์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรีค่ะสวัสดีค่ะลุงยุย้ยสวัสดีครับน้องตีครับสวัสดีท่านลูกฟังท่านสองสถานีด้วยครับผมค่ะก็ต้นเดือนมิถุน า, ายนแล้วค่ะลุงครึ่งปีแล้ว<า>อืมเร็วนะคะเดือนที่หกนา่าจะเร็วมากเร็วมากแป๊บๆนึงก็ครึ่งปีนะคะ บางทีตั้งเป้าหมายไว้บางคนยังไม่ได้ทําอะไรเลยค่ะลุงอือนะครเราก็เคยพูดเรื่องเป้าหมายว่าไม่ยังไม่ทําเริ่มทํานะครับใชมืกก่ก่อนทําเธอค่ะทําง่ายๆทําอะไรก็ได้นะคะเอาใกล้ๆตัวก่อนนะคะแต่ว่าแต่ละสัปดาห์ค่ะลุงถ้าติดตามฟังรายการของเราเนี่ยก็จะรู้ว่าเรามีเรื่องราวหลากหลายมากมาพูดให้<ด>คุณผู้ฟังฟังนะคะอย่างสัปดาห์นี้เราเอาใจนักเรียนนักศึกษาที่กําลังจะจบการศึกษาแล้วก็จะต้องไปทํางาน อ๋อได้ได้ที่เลย่หรือไม่ก็คนที่ทํางานอยู่นะคะลองสํารวจตัวเองว่าบุคลิกของเราเนี่ยจริงๆแล้วมันเหมาะกับอาชีพแบบไหนน่าสนใจไหมครัเออโอเคบางทีเราไม่รู้ตัวนะคะว่าเราเป็นคนแบบเนี้ยเราควรที่จะทํางานอะไรสักอย่างเราจะทําที่เราชอบใช่ไหมคะหรือว่าอยากจะทําหรือเปล่าใช่หรือบางทีเราทําไปเพราะว่าโดยอัตโนมัติอ่ะก็ในเหมือนมีงานทํำเราก็ไม่เคยคิดจะเปลี่ยนอ่ะทั้งมันที่บุคลิกบางทีมันไม่ใช่อ่ะ บางทีถ้าไปทําในสิ่งที่ตรงกับบุคลิกอาจจะทําได้ดีกว่านี้ประสบความสําเร็จได้เร็วกว่านี้ถูกต้องครับผมค่ะแล้วลุงคิดว่าบุคลิกคืออะไรคะ บ, ครกก บ, บุคลิกภาพครับเอาแบบลุงยื้อก็แล้วกันเนาะค่ะลีงย้เวลา่อนหนังสือจะใช้คําว่าบุคลิกภาพบุคลิกมันมัมนมาจากคำสองคามาจากคําว่าบุคคลกับภาพค่ะแล้วบุคลิกภาพก็คือภาพของแต่ละคนอืซึ่งไม่เหมือนกันใช่ไหมครับอย่างเช่นอะไรว่า การแต่งเนื้อแต่งตัวคำพูดคาจาการหัวล้อการร้องไห้การแสดง<ช>พฤติกรรมต่างๆนี่ถือว่าเป็นบุคลิกภาพมาหมดเลยรวมไปถึงในใจเราด้วยสี่ใจน้อยหรือเปล่าเป็นคนใจดีเป็นคนกล้าตัดสินใจทั้งหมดรวมเป็นตัวเราเราีเรยกว่าบุคลิกภาพเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็จะมีบุคลิกภาพซึ่งแตกต่างกันมันขึ้นอยู่กับอะไรคะคันธุกรรมหนอคะ ถ่าอาอาโอมคบางสิ่งบางนั้นคือภาพของทางร่างกายแต่บุคลิกภาพที่ต่างกันชัดๆคือเรื่องของการอบรมเลี้ยงดูนะคะ<อ>รับครอบครัวแต่และครอบครัวมันทําใช่ทําให้ทหําให้อุปนิสัยต่างกันค่ะนะคร<ม>ับอันนี้คือเรื่องของบุคลิกภาพมีไมหมคะลุงซึ่งการเลี้ยงดูแต่ละครอบครัวเนี่ยเลี้ยงดูมาแบบเนี่ยแต่เขากำมีบุคลิกภาพอีกแบบนึง มีเหมือนกันมีเหมือนกันเนี่ยล่าสุดเนี่ยนะครับได้ได้สัมภาษณ์เอเด็กสองคนซึ่งเป็นเด็กแฝดคของโรงเรียนสาธิตเข้ามาแล้วเข้าได้ทั้งคู่คะนะครับคนอายุใกล้เคยียงกันเลยอะห่างกันประมาณยี่สิบวินาทีมั้งผมปรากฏว่าสองคนที้เป็นผู้ชายทั้งคู่คนหนึ่งบอกว่าอ๋อผมเป็นคนหัวร้อนมากครับคผมงุนหงิดเร็วมากเลยครับอีกคนหนึ่งบอกว่า พ่อแม่สั่งสอนมาให้ผมเป็นคนใจเย็นครับอ้าวเฮ้ยเกซึ่งเป็นเด็กข้ า, ข า, ข า, ข า, ขามวดหนึ่งของของ โ, โรงเรียนสาธิตนทั้งๆที่มาจากครอบครัวการเลี้ยงดูผ<ม>่านกนเยวกันการเลี้งดูเหมือนกันแล้วที่สำคัญเป็นเด็กแสดด้วยเห็นไหมคะไม่ครับ <c oughs> มันมันมันไม่จําเป็นว่าจะต้องมีบุ ค, คลิกที่เหมือนกันค่ะบุคลิกของเราจะเปลี่ยนไปสมมุติว่าที่มีบุคลิกแบบเนี้ยที่มีมาตอนเด็กๆแล้วอยู่อยู่ที่ก็ เปลี่ยนไปมันมีปัจจัยอะไรบ้างคะลุงก็หลายอย่างนะครับอย่างเช่นได้บอกว่าออกมาสู่สังคมภายนอกแล้วเขามีการแข่งแย่งชิงดีกันสมมติว่าอย่างนั้นเนา ะ, ะผมเลือกภาพตอนที่เราอยู่บ้านเราอาจจะเป็นคนเงียบเงียบเรียบร้อยยังไงก็ได้แม่ว่าไงว่าตามกันแต่พอมาถึงตรงนี้ปุ๊บเราเราไม่สามารถที่จะอยู่ในสังคมแบบนี้ได้อะถ้าเป็นพฤติกรรมแบบเดิมะนะครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งะนะครับหรือสอง คุณไปเจอคนที่คุณรู้สึกชอบอะค่ะแล้วก็ชอบบุคลิกแบบนั้นเรามักจะดูดซึมบุคลิกของคนอื่นมาเป็นของเราเนอะเหมือนมีไอดอลอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับถูกต้องครับเป็นภาพที่เราชอบเราอยากเป็นแบบนั้นแต่ว่าชอบของลุงนี้ก็คือถ้าที่ถามอีกอย่างหนึ่งก็เหมือนว่าถ้าที่ไปตกหลุมรักผู้ชายสักคนนึงที่เปลี่ยนบุคลิกตัวเองเพื่อที่จะให้ผู้ชายคนนั้นชอบมันเป็นไปได้ไหมคะ มันก็เป็นไปได้แต่ต้องใช้คำว่าชั่วครั้งชั่วคราวอ๋อที่เขาบอกว่าช่วงโปรโมชั่นอ่าแต่ว่าพฤติกรรมบุคลิกของตัวเองซึ่งเป็นปกติยังไงเนี่ยในที่สุดมันก็ต้องออกมาถูกไหมครับค่ะคือ อ, คอันนี้ลองถามรุ่งนะคะคือประสบการณ์ส่วนตัวทีเลยเแม่บอกว่าตอนเด็กๆทีจะเป็นเด็กที่พูดเก่งเธอจะเป็นเด็กที่แบบทะมูนเหมือนเด็กผู้ชายแต่พอ พอที่โตขึ้นโตขึ้นทีบอกว่าแม่บอกว่าทีเงียบขึ้นเรียบร้อยขึ้นจนจนบางทีเขาก็แปลกใจเออลุงคิดว่ามันเกิดจากอะไรอะไรนะคะตัวที่แปลกใจไหมต้องถามก่อนตัวที่แปลกใจตัวเองไหมทีไม่ได้แปลกใจค่ะอ่าเห็นเพราะว่าทีอาจจะไม่รู้ตัวที่อาจจะไม่รู้ตัวค่ะลุงแปลกใจเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าพฤติกรรมตอนแรกเป็นแบบนี้พอเป็นอีกแบบหนึ่งสําหรับลุงลุงคิดว่า พฤติกรรมของทีเป็นแบบหลังเนี่ยเพราะว่าที่เริ่มเป็นผู้หญิงมากขึ้นเริ่มรู้สึกว่าการเป็นผู้หญิงนะั้นเลยจะต้องมีพฤติกรรมแบบนี้แบบนี้ของผู้หญิงอืมก็ทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้ตัวเหมือนกันพว่าเปลี่ยนเพราะอะไร <laughs> จริงๆนะคะลุงมันอาจจะโตขึ้นของที่อาจจะเป็นช่วงวัยที่กําลังที่จะเออ่เรียนต่อในระดับมหาวิทยาลายัยที่กลับจะจ ะ, จะนิ่งขึ้นนิ่งขึ้น<ต>เรียบร้อยขึ้นสงบส ง, งีวยพูดน้อยขึ้นล่าเริงน้อยล ง, งอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่ก็ยัง แต่พี่ก็ยังคงไว้ซึ่งการพูดเก่งอยู่นะในความรู้สึก <c oughs> ด้วยอาชีพมังคะรุง่งด้วยอาชีพเห็นไหครับมันก็หลายๆรูปแต<บ>่งถึงแม่ได้ค่ะแล้วเพราะอะไรคะรุงพูดถึงก่อนว่าวันนี้เราพูดถึงอาชีพแบบไหนเหมาะกับบุคลิกอของเราหรือว่าบุคลิกเราเนี่ยเหมาะกับอาชีพแบบไหนรุงคิดว่าในเรื่องของอาชีพเรื่องของการทํางานเนี่ยรุงคิดว่าเพราะอะไรคนเราเกิดมาเนี่ยจําเป็นถึงต้องทํางานค่ะ ก็เพราะว่านะครับงานเนี่ยทำให้เรามีเงินถูกปะใู่ครัใช่ค่ะมีเงินไม่พอทำให้เรารู้สึกว่ามีบุคลิกภาพที่ดีเป็นที่ต้องตาต้องใจหรือว่าสังคมยอมรับค่ะนะครับเพราะนั้นคนเราทุกคนต้องทำงานจริงแต่ว่าเราทำงานแต่ละคนเนี่ยทำงานด้วยความรู้สึกที่ดีต่องานตรงนั้นหรือเปล่าค่ะถูกครับอย่างที่เรากาลังพูดเรื่องบุคลิกภาพเพราะนั้นก็ต้องพูดตอไปว่า ถ้าบุคลิกเราเป็นแบบนี้แล้วเราได้ทำงานตามบุคลิกของเราปุ๊บเราจะรู้สึกว่าเออมันใช่อะ่ะนะคะเดี๋ยวเราต้องมาติดตามกันในช่วงของเบรกที่สองแล้วกันนะคะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยายลัยแห่งนวัตกรรม r m t t Moving Towards Innovative University เหมือนเห็นไม่ชัดเมื่ออยู่ตรงนี้แต่อยู่ข้างกายแค่เพียงเลีวมองฉันเดินมองไม่เห็นสักทีคุณค่าของเธอคนนี้ไม่เห็นเลยฉันเพิ่งรู้มองพลาดไป เมื่อได้เห็นเธอจากมุมนั้นจากคนที่เคยยืนคอยที่เดินค่อยๆเดินก้าวไปจากฉันาพาเธอที่เห็นเลือนลางกูเริ่มจะชัดกูรู้ว่าฉันไม่ได้ต้องการคนที่ดีพอเพื่อมารักกัน ว่าฉันต้องการแค่คนที่พอดีกับันหละคนนั้นคือเธอเพราะสายตามันหลอกันหรือมือใครมาเป็นไว้ก็สายตาฉันยาวจนเกินไปมองเลยว่าใจที่ไกลก็พี่เทียมควาต้องการเธอได้ยิน ช่วยหันมองกันอีกทีถึงโลกมุนไปทางทิ่ใดถึงต้องพบใครใหม่เสมอจากวันนี้จะมองเห็นใครใกล้หรือไกลจะเห็นแต่เธอพาเธอทุกนั้นจะคงอยู่ ในตาของฉันรู้ว่าฉันไม่ได้ต้องการคนที่ดีพอเพื่อมารักกันรู้ว่าฉันต้องการแค่คนที่พอดีกับฉันและคนนั้นคือเธอเพราะสายตามันลอกฉันืู้วือใครมาเป็นไว้ ยาวจนเกินไปมองเลยว่าใจที่ไกลแค่เพียงเอียงขวาต้องการเธอได้ยินไหมตะโกนได้ฟังดังดังด่ารักขอเธออย่เดินไปจากฉันช่วยหันมองกันอีกที ตรงตรงนี้ที่เธอคนเดียวเลออกย่าจากไปได้ไหม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 กลับมาพบกับช่วงที่สองของรายการจิตวิทยากับครูยุ้ยกันตองค่ะอย่างอยู่กับดิฉันทิรวรดีแล้วก็ลุงยุ้ยนะคะวันนี้ค่ะลุงเราพูดถึงบุคลิกของแต่ละคนบุคลิกครับเหมาะกับอาชีพแบบไหนนะคะลุงคิดว่าอาชีพแบบไหนล่ะคะที่เหมาะกับบุคลิกของแต่ละบุคคลเนี่ยค่ะอ่ามันก็ต้องดูว่าคุณมีบุคลิกแบบไหนก่อนถูกไหมครับอย่างเช่นถ้าคุณเป็นคนจริงจังนะครับถ้าคุณเป็นคนจริงจัง คุณเป็นคนที่มุ่งมั่นอยากทําอะไรลงมือทำให้เต็มที่ ส, ส, สุดลุยไปเลยเนี่ยค่ะเพราะนั้นอาชีพพวกนี้อาจจะเป็นพิศวกรค่ะเป็นช่างเครื่องบิน<อ>นะครับหรือว่าเป็นช่างซ่อมหรืออะไรก็แล้วแต่หรือเพี้ยเชี่ยวชาญในาาสาขาต่างๆค่ะอันนี้จรงิงจังอันนี้ก็เป็นอาชีพที่จรงิรจรงจังดูดูอะไรนะคะสจวตนะคะเขาดูจริงจังกับเครื่องบิน มุ่งมั่นตั้งใจนะคะทั้งลําำค่ะลุงอยู่กับใครถ้าไม่จริงจังนี่ถึงกับตายทั้งลํานะนะคะเจ้าหน้าที่ป่าไม้อย่างนี้นะคะเราก็จะนึกออกเหมือนกันนะคะลุงว่าเขาจะต้องจริงจังมุ่งมั่นบางทีเขาก็รักขืนปานะคะอ่ะเราช่างสงสัยละลุงสังเกตช่างสงสัยเป็นคนที่ฉ่างสงสัยชอบตั้งคาถามอะไรต่ออะไรเลยนะครับอันเนี้ยครูครูอย่างนี้ชัดๆนักเศรษฐศาสตร์ ชอบคิดมิตรภานักเศษศาสตร์นักอะไรรับนักมนุษยศาสตร์นักจิลยาก็ยังได้นะแพทย์ครับแพทย์แพทย์ก็จะสงสัยนู่นนี่นั่นเออนักสืบใช่ไหมนักสืบนักสืบก็ได้ค่ะใช่ไหมครับเป็นคนที่ช่างอะไอย่างเงี้ยค่ะใช่ช่างสังเกตช่างสงสัยเป็นคนที่ละเอียดละอ่พอสมควรนะครับถ้าคุณช่างสงสัยเนี่ยถ้าเรียนเก่งด้วยก็ไปทางนักเศรษฐศาสตร์ทางแพทย์ใช่นะครับเราจะเห็นเลยว่าค่ะ สิ่งต่างๆเหล่านี้มันมันจะเกี่ยวข้องกับบุคลิกอีกทักบุคลิกหนึ่งศิลปินนะรักอิสระแล้วคะเพ้อฝันอะไรก็ได้แต่นะเพ้อฝันรักอิสระนั่นแหละคนพวกนี้มักก็จะเป็นอะไรครับนักดนตรีนักแสดงดีเจเนก็เราสิคะลุงเราด้วยเราสองคนก็อาร์ติสนิดหนึ่งนะนิดหนึ่งนิดหนึ่งนักประชาสัมพันธ์นักประชาสัมพันธ์นักแต่งเพลง เขียนบทพวกบทละครอันนี้ก็น่าจะต้องใช้แรงบันดาลใจนะคะพวกนี้หรือพวกที่เขาเป็นอาร์ติสเป็นศิลปินจริงๆนะครับค่ะถ้าเป็นพวกเข้าสังคมอ่ะจิตอาสาอบเข้าสังคมอ้าถูกต้องเลยนะครับค่ะเป็นพวกจิตอาสาเป็นพวกคนที่ทํางานสังคมสงเคราะห์ค่ะนะครับบรรลักษ์ก็ยังได้เลยนะนะครับพยาบาลเป็นบรรลักษ์คงคงไม่ไหวอ่ะให้ให้ลุงไปทํำเหรอคะ ให้ลุงไปทําบรรดาลคงไม่ไหวอะทีมว่าที่ได้ที่ได้ทีได้เนี่ยจะชอบหนังสือด้วยอ๋อนะคะพยาบาลลุงพยาบาลอบยดูแลอะไรอย่างนี้นะคะนั่นแหละครับพวกนี้แหละนะครับคือพวกที่ช้าสังคมค่ะนะครัอ้าวคนนี้พวกกล้าได้กล้าเสียละโอ้เสียงใช่ไหมคะก็ต้องเป็นทำเสียงทนายความอย่างนี้ไหมคะอ้าวทนายความได้นักการเมืองนะตอนนี้เราต้องพูดถึงนักการเมืองนิดนึง ได้เลยนะครับลได้ก้าเสียนะครับมีความรับผิดชอบอะไรแล้วก็แม้กระทั่งที่น้องทีทําอยู่ทุกวันนี้ก็ได้พิธีกรพิกรใช่พิธีกรทีนี้ถือว่ากล้าได้กล้าเสียแกล้าได้กล้าเสียเลยก็ต้องกล้าที่จะพูดไงคะเวลาที่ไม่อยู่หน้าก้าก้าตัดสินใจว่าเรายังไงจะทํำยังไงน้องทีคงเจอเหมือนเหือนใช่ไหมเหมือนเหมือนกับลุงอะว่า เออเขียนสคริปต์มาให้เราว่าอย่างนี้ปุ๊บแล้วคนนี้จะมาเปิดปรากฏว่าไม่มาเงี้ยค่ะบางทีกก็้้แไลสถานการณ์มันเกิดขึ้นได้ตลอดถ้าเราเป็นพิธีกรเราต้องจัดการกับสถานการณ์ให้งานมันราบรื่นอะไรอย่างนี้นะคะลุงไดครับพวกอนุรักษ์คะลุงอนุรักษ์อนุรักษ์เหรออืมอนุรักษ์ก็ซึ่งสัตว์ตุ๊จลิบเนาะเป็นคนมีระเบียบมากต้องเป็นคนเจ้าระเบียบชอบเป็นผู้ ตามมากกว่าผู้นำอันนี้รู้เลยค่ะต้องเป็นพวกบัญชีการเงินแน่เลยเออถูกต้องนะครับนักบัญชีนักตุราการสมองสมียนในขานุการได้หมดเลยอืเห็นไหมคะว่าบุคลิกที่เราพูดที่คุณผู้ฟังฟังเน่ยมันครอบคลุมนะคะครอบคลุมพอสมควรคือแปว่าเราลองดูนะว่าเราเป็นคนแบบไหน ค่ะแล้วก็อาชีพอะไรถ้าเราไปทําแล้วมันจะถูกจริตเขาเรียกอะไรอ่ะถูกจริตกับเรามันถูกจริตกับเราอ่ะแล้วสิ่งที่เราเป็นมันจะกวามไม่เหนื่อยค่ะแล้วสิ่งที่เรามีอยู่ในตัวเราจะสามารถนํามาปรับใช้ในงานของเราได้ใช่ไหมคะมันเป็นบางอย่างที่เป็นทักษะเฉพาะตัวเหมือนกันถูกต้องถูกต้องแล้วถ้าเราลุงถ้าเราเลือกไม่ได้ก็ไปเลือกไอ้ที่ฟังเราสองคนพูดนี่แหละมันสอบไม่ได้อ่ะลุงมันไม่ได้อย่างงานหนึ่งอะค่ะ เราจะทําอย่างไรคะก็ถ้าเผื่อว่าไม่ได้งานที่ชอบก็จงชอบงานที่ทําอืำพูดง่ายนะคะลุงพูดง่ายครับแต่ก็ต้องทําให้ได้ครับอืคือเราชอบงานแบบนึงแต่ในเมื่อเราไม่ได้แล้วถ้าคุณเบื่อมันหงุดหงิดกับมันทุกวันแต่คุณก็ต้องทําคุณก็จะยิ่งเสียเสียสุขภาพจิตไงเพราะฉะนั้นคุณจะทํำยังไงลนะ่ะที่ให้มันชอบในงานที่เราทําไปเสนอ S <S หาข้อดีให้เจ อ, อนะครับแล้วมันจะดีขึ้นอืนะคะก็ลองดูว่าบางทีมันไม่ได้งานอื่นอะทําไปเถอะงานนี้เพราะมันก็ได้งานได้เงินไม่ต้องหว่างงานได้ <S 2> <S 2> ประสบการณ์บางที่อาจจะต้องคิดบวกบวกวกไว้เหมือนกันครับผมครับนะคะเราจะรู้ได้อย่างไรคะว่าถ้าเราทํางานทุกวันทุกวันเนี่ยเราชอบหรือเราไม่ชอบงานนี้ มันเบื่อง่ายนิดเดียวเลยเบื่อมันเหนื่อยแหละเหนื่อยเลยแต่มันเป็นพักๆเนอะคะลุงมันไม่ได้ว่าเบื่อตลอดนะใช่ใช่ช่แต่ว่าลุงอยากจะให้เช็คตัวเองว่าเบื่อหรือไม่เบื่อค่ะถ้าหนึ่งอาทิตย์คุณเบื่อแค่หนึ่งวันแต่อีกหกวันไม่เบื่อแสดงว่าคุณทําได้คืออาจจะเบื่อเบื่อวันที่งานเยอะๆเบื่อวันที่ต้องวุ่นวายอืมครับแต่ถ้าคุณไม่ชอบงานนั้น แม้ว่าจะเป็นงานแค่ไหนคุณก็ยังรู้สึกบ่นยังเบื่อยังลาคาญเปลี่ยนงานเลยถ้าเปลี่ยนได้ถ้าเปลี่ยนได้ถ้าเปลี่ยนไม่ได้ก็ในหนึ่งงานบางทีมันมีหลากหลายดีเทลรายละเอียดในนั้นมันต้องมีอะไรบ้างแหละที่เราชอบหรือไม่ก็หาสาวที่อยู่ในงานเดียวกันแล้วเออเป็นแรงบันดาลใจไปจีบเขาแล้วเราจะรู้ลุงพูดได้ ปะเดี๋ยวเริกกันแล้วก็จะต้องลาออกกันไปคนละทางสองทางนะคะลองลองลองลองโฟกัสที่ตัวเองก่อนคอลงก่อนที Foster ่จะไปโฟกัสที่คนอื่นเพราะว่าบางทีเราก็เลือกไม่ได้อะค่ะว่าเจ้านายจะเป็น่างนี้เผื่อหลวมงานจะเป็นแบบนี้งานจะเป็นแบบนั้นถูกต้องครับมีงานทำก็ทำเถอะค่ะนะคะดีใจเถอะที่มีงานทำบางคนก็ไม่มีงานทหาเงินได้ด้วยตัวเองภูมิใจจะตายนะคะดวง ภูมิใจมากครับภูมิใจมากพ่อแม่ก็ภูมิใจเราด้วยนะคะให้กำลังใจหน่อยคะ่ะรงสำหรับคนทำงานทุกคนเลยเอานะครับมนุษย์เงินเดือนทั้งหลายนะครับก็ขอแสดงความยินดีที่ยังมีงานทำแล้วมีความสุขกับการทำงานนั้นเถอะขอแค่คุณมีความสุขใจ งานนั้นมันง่ายสำหรับคุณครับเป็นกำลังใจให้ครับผมนะคะก็เป็นกำลังใจจากเราทั้งสองคนค่ะถ้าตื่นขึ้นมาวันหนึ่งไม่มีงานทำต้องนอนแล้วก็กินกินแล้วก็นอนเงินก็หาไม่ได้ค่าใช้จ่ายก็เยอะถึงวันนั้นคุณคจะรู้ว่าการที่มีงานทำนี่มันเป็นความสุขมันดีกว่าเยอะโอมันเป็นความสุขย อ, อย่า ง, งนแล้วค่ะที่เรามีงานทานะคะแล้วก็หาเลี้ยงได้ด้วย ตัวเองนะคะรวมถึง<ช>รับผิดชอบอาจจะดูแลลูกครอบครัวอย่างนี้ค่ะมันเป็นความภาคภูมิใจสําหรับทุกคนนะคะเอามาฝากกันแล้วกันค่ะบุคลิกแบบไหนเหมาะกับงานแบบไหนก็ลองเลือกดูนะคะลุงเลือกดูใช่ครับเลือกดูหมดเวลาลงแล้วค่ะลุงขอบคุณคุณผู้ฟังค่ะที่ติดตามฟังเราทั้งสองคนนะคะดิฉันทิราวดียิ่งมีค่ะลงุงยิ้มนายทะพงศ์จูทยครับผมลากคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันได้ใหม่ในวันพฤห์ั้หน้าค่ะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีครับรายการจิตวิทยากับครูยุ้ยสนับสนุนรายการโดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมาหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมุ่งเน้นการผลติตครูวิชาชีพนักเทคโนโลยีบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานสารกล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 happy soda, Wherever, Kimi き about party, shopping, 小さくで chill, い t だって i t にいる。It feels so good. Shirokujichu because of you. 你把夢來 h 夢，我變成這樣，因為有你，我變得更好。